ผู้ทั่สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะต้อนรับท่านเข้าสู่ช่ ว, วลาของรายการสันสนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลางเดือนมกราคมปีใหม่2558แล้วเวลาผ่านไปทุกวันไม่เคยหยุดรอใครเลยเราก็พยายามใช้เวลานั้นกันอย่างมีคุณค่าและพยายามที่จะให้เวลาของรายการนี้คุณค่าที่แตกต่างปีใหม่ เราจะพูดกันถึงเรื่องให้ด่ำให้รวยเป็นเรื่องของทรัพย์ภายนอกรายการนี้เราพูดตลอดเวลาเรื่องทรัพย์ภายในทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากหรือที่เรียกว่าอริยทรัพย์คือธรรมะของพระศ า, ษ า, ษาสดานะคะโดยมีพระมหาภับุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีเป็นผู้ที่มาให้ธรรมะกับเราคะ่ะกราบน้มักการค่ะท่านคะ่ะเจริญพรเห็นท่านบอกว่าที่อุดรวัดป่าดอนไฮโซเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหนาวมาก หนาวนะะอย่างไรครท่านคะก็กคือหนาวแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วฝนตกนี่ก็ไม่ได้ตกแบบแรงนะแต่ตกเบาๆตกเบาๆเนี่ย<ะ>แล้วก็ตกนานด้วยพอตกเบาๆตกนานเนี่ยมันก็เปียกไปทั่วไปหมดนะคุณโยมติว<ะ>แล้วมันก็ทำให้ไอ้เศษอะไรที่มันสะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่ในช่วงที่มันฝนหยุดไปหลายเดือนแล้วเนี่ย พอมันโดนน้ำมันก็ชำระล้างกันมาหมดเลยเวลาไปบินตะบานนี่ก็เละไปหมดเลยเย็นด้วยหนาวด้วยก็เลยหนาวมากเป็นพิเศษใช่เพราะว่าความชื้นสูงค่ะก็เขาบอกว่าอาทิตย์นี้ทางกรมตุนิยมวิทยาว่าอากาศจะเย็นลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มากนะคะก็คงจะต้องดูแลสุขภาพกายกันให้ดีด้วยใช่ท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันค่ะก็ ว่ากันเรื่องธรรมะแก้หนาวแก้ได้ไหมคะเนี่ยเออคือหมายความว่าอากาศต่างๆภายนอกเนี่ยมันทําให้เราหนาวนะเราจะรู้สึกได้แน่นอนนะพระพุทธเจ้ารู้สึกหนาวไหมนะพระองค์รู้สึกได้แน่นอนนะเคยคบอกเอาไว้ว่าตัวพระองค์เนี่ยเวลาอากาศหนาวเนี่ยนะก็นอนสั่นอยู่คนเดียวนะสั่นนี่คือสั่นเลยนะความหนาวเพราะว่าไม่ผิงไฟและไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยแล้วก็รู้สึกแน่นอนถึงความหนาวได้นะพอรู้สึกหนาวก็เอาผ้ามาห่มผืนหนึ่ง ไหนะยังไม่พอกลางคืนเนะ่ยยามกลางอย่งราตรีหนาวขึ้นอีกเราก็เอาผ้าผื้นที่สองเนี่ยเป็นสังคติมห่มนะ่ยรู้สึกว่าในพิสุทธิ์ใธรรมะในนี้ลัวหนาวก็เลยอนุญาตให้มีผ้าได้สามผืนค่ะอันนี้จะเป็นที่มาของอผ้าสามผืนนะว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้มีผ้าได้สามผืนนะ่ยเพราะเราก็ตรงหนาวตรงนี้แหละนั่นหมายความว่าเป็นบัญญัติหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ ใช่ไมครม่ช่วงบำเพ็ญทุกกรกิริยาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อค่ะ น, นะคะท่านฟังเราก็เลยได้ความรู้อีกแบบหนึ่งว่าท่านมีเหตุผลสําหรับการที่จะบัญญัติคืออนุญาตให้ประสงฆ์ได้นุ่หงห่มด้วยผ้าจํานวนมากชิ่นมากขึ้นใช่ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะอนุญาตแค่ผืนเดียวหรืมั้งคะก็คงจะมีแค่สองผืนอย่างมากหนึ่งก็คือจีวรกับเสบงนะผ้า ค, คลุมเนี่ย คือสังกตินี่จะไม่มีแต่แต่เพราะว่ามันมีความหนาวตรงนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเพิ่มคือพระพุทธเจ้าเนี่อรู้สึกถึงความรู้สึกนี้แน่นอนแต่ว่าจิตใจนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะจิตใจเนี่ยต่อให้มีเวทนาเกิดขึ้นเวทนานั้นอาจจะเป็นสุก็ตามจะเป็นทุก็ตามจะไม่ได้ครอบงําจิตตั้งอยู่นะกับว่า ค, ครอบงําจิตกับคําว่าไม่ครอบงาจิตเนี่ยมันต่างกันคุณหยมติว๋วคือเวลาที่มีเวทนาเกิดขึ้นนะคนที่ เป็นปุถุชนคนธรรมดายังไม่รู้เรื่องอะไรไม่เคยเจริญสติเนี่ยก็จะมีชาตากรรมในจิตแบบหนึง่งแต่คนที่เจอเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุก็ตามทุกข์ก็ตามที่มีการฝึกปฏิบัติแล้วชาตากรรมในจิตของเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะต่างกันตร ง, ตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าคนแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้เคยรู้ธรรมะไม่ได้เคยฟังธรรมะเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นจะ ก, กลุ่มรุมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ในจิตของเขาแต่ก็บับมากลุ่มรุมครอบงำตั้งอยู่ในจิตเนี่ย คำพูดอีกคำหนึ่งก็คือเพลินไปแล้วแตเพลินะในที่นี้อาจจะสุขไปเพลินไปในความสุขเพลินในที่นี้อาจจะเพลินไปในความทุกข์ก็ได้นะครัครว่ามันมาตั้งอยู่กลุ่มๆในจิตของเราคือเพลินแล้วมีความเพิดเกิดขึ้นมีตัณหาเชื่อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะวันไหวขึ้นลงตามความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นนะอันนี้คือครกรณีที่หนึ่งส่วนกรณีที่สองคือคนที่รู้ธรรมะบ้างพยายามตั้งสติขึ้นได้มากกร็ตามน้อยก็ตามตา ม, ตามกำลังสติปัญญาของตนนะเวลามี เวทนาคือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกนั้นจะไม่มาตั้งอยู่จะไม่มากลุ่มรุมจะไม่มาครอบงาจิตได้ ค, ความที่มันไมมาตั้งอยู่กลุ่มรุมครอบงาได้ทำไม่ได้เนี่ยคือความที่มันไม่เปลินคือความที่เรามีสตินั่นเองค่ ะ, อ, ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะขั้นสูงแล้วนะคะกำลังจะเปรียบเทียบถึงคนที่มีความรู้ทางธรรมะ แล้วก็ผ่านการฝึกปฏิบัติใช่ไหมคะมาบ้างถึงจะสามารถตั้งสติได้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเรื่อยไปจนถึงไม่ได้รับเลยแบบพระพุทธองค์ถูกต้องจากการกระทบของผัสสะต่างต่างที่มากลุ่มรุมครอบงำจิตนั้นใ่ทีนี้มาพูดถึงการฝึกปฏิบัติแล้วค่ะดิฉันเองเนี่ยอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าสมาธิเนี่ยในทางพระพุทธศาสนา มีความจําเป็นไหมคะที่จะต้องปฏิบัติคําว่าสมาธิในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงความที่จิตนั้นเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวก็หมายความว่ามันไม่ไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลนะความ <Okay. S 2> ที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่คิดเรื่องอะไรเลยนะอาจจะคิดเรื่องนั้นพิจารณาเรื่องนี้มีการโยนิโสเมนสิกการการทำํำใจโดยแยบคลายพิจารณาเรื่องต่างๆ แต่กรอบขอบเขตของการพิจารณานั้นนอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลนนี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วสมาธิที่ที่ว่าเป็นอารมณ์เดียวก็ต้องมีองค์ประกอบของสมาธิที่องค์ประกอบของสมาวาจาองค์ประกอบสมาสังกปะอยู่ในนี้รวมกันหมดแต่ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมีสิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้คือสัมมาสมาธิ เพราะนั้นสมาธินี่สาคัญมากเลยนะคุณโยมติ๋วเพราะมันมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดติงจะถูกต้องค่ะก็เท่ากับว่าจําเป็นคือที่นราจะถามว่าถ้าเนี่ยเราอยากเข้าถึงคําสอนของพระพ <c oughs> ุทธเจ้าแล้วได้รับผลนั้นจําเป็นหรือไม่ที่ต้องปฏิบัติสมาธิจําเป็นจําเป็นทอนี้สมาธิเราต้องมาแกล้งไฟกันว่าหมายความว่าไงสมาธิของท่านผู้ฟังสมาธิของคุณโยมติ๋วสมาธิแบบที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนั่นมันจะมีรายละเอียดที่ต่างกันต่างกันอยู่นะ ถ้าถ้าเราเข้าใจว่าสมาธินี่คือหมายถึงจิตที่แน่วแน่นนิ่งไม่คิดอะไรเลยนะไม่ไหวติงเหมือนกับโอ้โ ห, หลักปักไว้อย่างแน่นหนาอันนี้มันก็ก็ใช่อยู่แต่มันเวอร์ไปนิดนึงเนี่ยมันไล่มาเป็นระดับลำดับได้ตั้งแต่สมาธิที่มีความคิดไปจนถึงแบบนั้นก็ได้ค่ะท่านคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขยายความรายละเอียดของสมาธิออของใครว่าแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยนะคะฉันอยากจะกรับเตืยนถาม ถาย้ำไปที่เดิมที่ท่านบอกแล้วว่าจําเป็นเนี่ยแต่ดิ่ฉันจะถามว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้หรอคะออรูปแบบของการเกิดขึ้นมันจะแตกต่างกันนะคือ ถ, ถ้าเราบอกว่าไม่ปฏิบัติเราก็ต้องลงไปในรายละเอียดว่าปฏิบัติคุณปฏิบแบบไหนคุณคิดว่าการปฏิบัติคือต้องนั่งหลับตาเดีนะ๋หรือต้องอยู่ในท่าเดินเดี๋ยวหรือก่อนนั่นก็ใช่แบบหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบนั้นก็ได้ในะรูปแบบของความที่จิตเป็นอารมณันเดียวเช่นคุณนั่งอยู่ในห้องเรียน ในการที่เราจดจ่อยอยู่ในห้องเรียนหรือว่าอยู่ในห้องประชุมเราฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วเราเอาใจจดใจจ่าวเรื่องนั้น น, นเป็นความที่จิตเป็นอรมณ์เดียวทันทีเแต่ไม่ได้นั่งหลับตาหรือด้วยนะและ้วลักษณะจิตแบบเนี้นี่คือสมาธิเกิดขึ้นได้ด้วยการทำแบบนี้งั้นท่านกำลังจะบอกว่าไม่ทำไม่ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าในรูปแบบที่เข้าใจว่าต้องมาหน้าหลัาถูกต้องไม่ใช่รูปแบบอย่างนั้นอย่างเดียวมีหลายรู ป, แ, รปแบบขออนุญาตนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งถือว่าจำเป็นถ้าหกว่าจะเข้าถึง ธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้าแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะไปต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่ตเพียงอย่างเดียวได่อยู่วัดหรืออยู่บ้านได้ทั้งนั้นค่ะทีนี้ท่านบอกว่าจะให้รายละเอียดลงไปอีกเกี่ยวกับเรื่องสมาธิของแต่ละบุคคลว่าอาจจะหมายถึงไม่เหมือนกันก็นิมนต์ท่านช่วยให้รายละเอียดเพราะว่าคำว่าสมาธิเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการปฏิบัติแบบเป็นรูปแบบ นะไม่พูดกันหลับตาอย่างนั้นในะนีเป็นสมาธินั้นก็ใช่อยู่ส่วนหนึ่งมันก็ยังมีนอกเหนือจากนี้นะมีส่วนที่กว้างขึ้นไปกว่านี้เช่นการทํางานของเรานะเราจะจดใจจออยู่ในเรื่องที่เราทําอันนี้ชื่อว่าเราเจริญสติเราจเจริญสมาธิละอันนี้เราปฏิบัติตามมั้งละแตนะ่คุณอยู่บ้านคุณก็ได้คะแนนตรงนี้แตนะ่คุณอยู่ที่ทํางานเดินทางอยู่แล้วนะก็ได้คะแนนตรงนี้แตนะ่สมาธิเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือเป็นแบบในชีวิตประจำวัน น ส, ส่วนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแต่บางคนก็เข้าใจอีกว่าโหสมาธินี่จะต้องไม่คิดอะไรเลยนงเงียบเหมือนกับทะเลเรียบไม่มีคลื่นใดๆเลยอันนั้นก็ใช่อยู่แต่มันก็มีท <Yes. S 1> ี่กว้างไปกว่านั้นซึ่งบางทีสมาธิเกิดจากการคิดก็ได้เกิดจากการคิดพิจารณาในเรื่องที่มันมีความไม่เที่ยงแต่แล้วเกิดจ <is S 1> <sait S 2> ิตๆที่มันเป็นอารมณ์อันเดียวมันไม่ไปคิดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไม่ไปคิดเรื่องที่เป็นอกุศลเอาการไม่คิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่คิดเรื่องที่เป็นอกุศล แสดงว่าจิตก็มีสมาธิแบบหนึ่งเป็นสมาธิแบบที่ยังมีความคิดอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นได้มีอยู่ส <c oughs> องลักษณะ น, นี้ค <c oughs> ่ะคือสมาธิที่มีรูปแบบกับไม่มีรูปแบบเออเป็นเป็นรูปแบบแบบที่เออเป็นกิจลักษณะหรือว่าเป็นแบบในชีวิตประจำวันค <c oughs> ่ะอ่าแล้วในแบบที่เป็นกิจลักษณะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดเลยก็อาจจะมีความคิดที่เป็นกุศลอันนี้มีได้ค่ะ <c oughs> ชี้จงเห็นสองประนี้ค่ะนะคะในความหมายของศาสนาของพระพุทธองค์สมาธิจะแบ่งเป็นสองแบบคือแบบมีรูปแบบกับแบบที่ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน อ, อย่างมีคือคืออันเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะคุณยมติวอ๋อค่ะแต่แต่ว่าเราเข้าใจไปเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> นะพอเราเข้าใจไปเป็นอย่างนั้นอรมาก็เลยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างคือพระพุทธเจ้าเนี่ย รวดเดียวทั้งหมดเป็นก้อนเดียวนะมันเป็นแบบสเปกตรัมอันเดียวเลยรวดเดียวไปหมดนะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เราไปเข้าใจเฉพาะตรงจุดนี้นะมันเลยแคบไปนะก็เลยขยายออกมาว่ามันมีอยู่สองสามมุมสองสามประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ใเราเข้าใจว่าเรามีทางเลือกในการปฏิบัติ ช, ชเผื่อว่าเราจะมีข้อจํากัดในทางที่เป็นรูปแบบมากเราก็ทําในชีวิตประจาวันก็ได้ค่ะ อ, อ, อทีนี้เข้าใจหรือว่าใน อริยมรตมีองค์แดซึ่งท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติสัมมาสมาธิเนี่ยจะได้รวมกันทั้งหมดเลยของอริยมรตทุกองค์ทุกสัมมาถูกไหมคะใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาใช่สัมาทิฏิสมาสังกปะค่ะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวิยมรตสมาสติในองค์เจ็ดเหล่านี้รวมกันเนี่ยด้วยความที่จิตรวมกันอยู่ในจิต ในะความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะมีองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันเข้าเป็นหนึ่งนะการรวมเป็นหนึ่งตรงนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิค่ะทีนี้เกิดข้อสงสัยต่อค่ะท่ะนานคะคืออย่างกับสัมมาทิฏฐิสังกปะวาจ้ากรรมตตาอาชีวะาวายามะนี่ยังไม่เคยสงสัยนะคะแต่พอมาถึงสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเนี่ยบางทีเราคิดว่าเป็นอันเดียวกันคือเหมือนกับว่าถ้าพอพูดถึง สัมมาสติเราจะต้องพูดถึงเรื่องสติประฐานสี่ซึ่งในที่นั้นบอกให้มีสติอยู่กับฐานต่างๆใช่ไหมคะาที่งฐานที่ตั้งาจิตค่ะทีนี้ดิฉันเคยได้ยินว่าสติประฐาน4ี่เนี่ยรวมอยู่ในเรื่องของอานาปานสติถูกไหมคะใช่ก็เลยเข้าใจว่า น่าจะเป็นอันเดียวกันกับสัมมาสมาธิเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับอาจารย์อานาปนสติเป็นเครื่องมืออานาปนสติออนะ่ะเป็นเครื่องมือเครื่องมือมันก็คือเหมือนกับเราสร้างบ้านยังไม่เป็นบ้านแต่คุณมีเครื่องมือแตนะ่อานาปนาสติเป็นเครื่องมือทําให้เกิดอะไรทำให้เกิดสติแตนะ่บุคคลที่มีสามาสติแล้วจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นไดนะ้บางทีเรามีสติแต่เรายังไม่มีสมาธิเอ๊ะมันเป็นกรณีไหนเช่นว่าบางทีเราเราโกรธเรารู้ตัวว่าเราโกรธแต่มันยังล่าไม่ได้ เรารู้ว่าเราอยากกินนะเนี่ยแหมนี่น่ากินจริงเลยแล้วก็มันก็อิ่มแล้วด้วยแต่มันยังเหลืออยู่ขอสักคํานึงหน้านะรู้ว่าไม่ควรกินแต่ก็กินอย่างเงี้ยรู้ว่าไม่ควรกินมีสติไหมมีสตินะแต่แต่กําลังในการที่จะตัดกําลังในการที่จะวางแต่มันไม่มีเพราะจะวางจะตัดไม่ได้แสดงว่าสมาธิไม่เกิดถูกครอบงําอยู่ด้วยความอยากนั่นก็เป็นนิวรณ์มีสติอยู่แต่ยังทําสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้ อันนี้เป็นไปได้ค่ะนั้นก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าสัมมาสตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทําให้เกิดสัมมาสมาธิถ้าเป็นพุทธพจน์นพุทธพจน์ปรุชาตรัตถ์นี้บอกว่าบุาคคลที่เจริญสัมมาสติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั้นเป็นฐานะที่มีได้ค่ะก็คือสัมมาสมาธิเนี่ยอก็ไปสัมมาสติเนี่ยมาก่อน สมาสมาธินะบางทีมีสติอยู่แต่ยังตัดไม่ได้ลัทไม่ได้สมาธิยังไม่เกิดอันนี้บางกรณีเกิดขึ้นบางคนก็เคยประสบ เ, เหตุการณ์แบบนี้ก็มีค่ะอะจึงถ้าถ้าตอบคําถามแบบตรงๆก็คือว่าไม่ได้เหมือนกันสียีเดียวไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันแต่ว่ามีส่วนในสัมมาสมาธิมีส่วนของสัมมาสติอยู่พูดอย่างนี้ได้ไหมค ะ, ะเพราถูกต้องถูกต้องสัมมาสตินั้นเป็นเครื่องมือ เป็นเป็นผลละเป็นผลของเครื่องมือคืออนาปานาสตินะทีนี้พอเรามีสติที่มีความชำนาญมากขึ้นนะสังสมมากขึ้นตั้งขึ้นได้นะเป็นที่พึ่งได้มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาอ๋อทำไมนะคะเราหมายความว่าการปฏิบัติมีสติอยู่กับลมหายใจหรืออนานาปา น, า ส, ตนสตินั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้สัมมาสติเกิดขึ้น เกิดขึ้นใช่ซึ่งจะนํามาซึ่งสัมมาสมาธิตอนไหนมันถึงจะนํามา <c oughs> ก็ตอนที่สติของเราเนี่ยมั่นคงสติของเราเนี่ยมีกําลังสติของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยได้พอ <c oughs> สติของเราตั้งมั่นมั่นคงมีกำลังเป็นที่พึ่งอาศัยได้สมาธิตรงนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะ <c oughs> แต่ท่านยกตัวอย่างในี่ฉันคิดว่าเป็นตัวอย่างที่จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมีเหตุมีผลที่จะฝึกนะอ่คิดแบบพื้นพื้น ว่าเราก็รู้ว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงอืมแต่เราหักห้ามใจไม่ได้ทั้งทั้งรู้ดีรู้ชั่วอยู่เนี่ยอ่ามันมันทำไมถึงไม่ได้แต่สติมีไหมมีแต่ก็ยอมกิเลสแตสติมีไหมมีแต่ก็ยอมตัณหาเนีมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเอดไม่ได้ที่จะต้องทํามันตั้งแต่ที่รู้มันไม่ดีอย่างเงี้ยที่ฉันรู้สึกว่า ท่านกาลังตอบปัญหาที่ฉันเลยนะคะนี่ <laughs> ขอประทานโทษนะคะอ่าทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังคือฉันก็ไม่ได้มีความสามารถเก่งกาจอะไรมากมายในบางเรื่องเรื่องอพื้นๆเลยนะคะเช<ม>่สนสมมตินะคะฉันเนี่ยชอบดื่มกาแฟมากอืมและรู้ว่ากาแฟเป็นของไม่ดีอืมมาถึงวันนี้ก็ยังดื่มอยู่แล้วก็ดื่มบรรละลายแก้วด้วยอืี๋ยวฉันต้องฝึกสติต่อไปใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้อง ตนะ้องเจริญสติเออคือคือสตินี่ก็ส่วนหนึ่งนะสตินี่ก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่ถาไมราแรงขับดันเนี่ยมันถึงมันถึงไม่มีนะแต่มาต้องการจะจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเอา่อถ้าเราขับมอเตอรไ์ไซค์ด้วยความเร็ว40กิโเมตรชั่วโมงเนะี่ยพุ่งเข้าชนกาแพงอย่างนี้นะมอเตอร์ไซค์เนี่ยพังนะกาแพงไม่เป็นไรแต่ถ้าเราขับรถสิบล้อนะรถสิบล้อพุ่งเข้าชนกาแพงด้วยความเร็วเท่ากัน40กิโเมตรชั่วโมเหมือนกันกาแพงพังหรือว่าอุณหภูมิอย่างเงี้ยความหนาว แตนะ่ความหนาวถ้าหนาวที่อุณหภูมิ12องศาในะที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยสิองศา1ิบสองศาที่วัดเนี่ยก็หนาวระดับหนึ่งแต่ถ้า10องศา12องศาที่ต่างประเทศอยนะเช่นประเทศนอร์เวย์10องศานี่โอ้มันหนาวเข้าถึงกระดูกเอ๊ะทำไมความหนาวตทั้งที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ความหนาวไม่เท่ากันนะทำไมเวลาที่จาะกันอยู่เนี่ยพนะระพุทธเจ้าพูดถึงว่าตัณหาเนี่ยนะจะเกิดก็เกิดที่ตรงนั้นนะตรงที่ผัสสะนั่นแหละนะนะจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกั็แล้วแต เดี๋เกิดเกิดตรงเวทนาเนี่ยตัณหาจะเกิดก็เกิดตรงนั้นนี่คือส่วนหนึ่งเดีนะพูดอีกตอนหนึ่งบอกว่าตัณหาจะดับก็ดับที่ตรงนี้แหละตรงผัสสารนี่แหละเอาเลยตอนที่มันจอกันอยู่เกิดภาษาขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมมันจะเกิดตัณหาหรือมันจะดับตัณหาอะไรมันจะดันอะไรอะไรจะชนะอะไรก็จะมาเป็นจมติวตรงนี้เราอาจจะรู้อยู่และมีสติจออยู่เลยโอ้นี่มันกำลังสู้กันแล้วในะระหว่างกิเลสการทำในะระหว่างตัณหากับวิชาในะระหว่างวิชากับวิชาสู้กันตรงนี้ใครจะชนะในใครจะชนะเอ๊ะเราจะหยิบกินอีกไหม นะหรือว่าเราจะนอนต่อดีหรือจะลุกขึ้นมาฟังธรรมอะไรจะชนะนหะนจะชนะหรือแพ้นะี่มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยคือถ้าถ้าบอกวเราจะแพ้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่สะสมมาฝ่ายนู้นมันมีกําลังมากก็แพ้ไหนเช่นคุณสะสมอะไรมาคุณก็สะสมความคิดชั่วไว้คิดแบบท้อแท้อ่อนแอไว้ะสะสมเรื่องของการผิดศีลไว้ยเยอะมันก็จะแพะ้แต่ถ้าเราสะสมเรื่องของการคิดดีและสะสมเรื่องของการทําสมาธิไว้ในระหว่างวัน สะสมเรื่องของการมีเพื่อนดีสะสมในการฟังธรรมะอยู่เรื่อยตรงนั้นตรงนี้เวลามันจาะ ก, กันมันสู้กันเนี่ยเราก็จะชนะหมายถึงธรรมะก็จะชนะได้แต่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องของสิ่งที่พระบุรุษชาบอกว่าเป็นพละและเป็นกําลังในกำลังตรงนี้ใ <Okay. S 1> นคืออะไรบ้างกําลังคือศรัทธากําลังคือวิริยะกําลังคือสติกําลังคือสมาธิกําลังคือปัญญาตรงนี้จะเป็นช่วยที่ตัวที่จะพุชตัวชี้จะดันให้ฝ่ายธรรมะเนี่ยชนะอาธรรมได้เนี่ย ม, <Okay. S 1> มันจะชนะแพ้ก็ตรงจาะกันอยู่นั่นแหละ หรือ เ, เป็นเป็นคีย์วัตที่สำคัญนะคุณโยมติวตัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ของรักของชอบใจตัญหาที่จะละได้ก็ละได้ที่ตรงของรักของชอบใจ น, ะะนั่นหละค่ะแหมท่านฟังค่ะฉันคิดว่าสำคัญมากสำหรับคนมากมายบนโลกใบนี้เลยจะเป็น ค, คล้ายๆกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกใครหรือเปล่าเท่านั้นอะบางทีไม่บอกไม่บอกคนอื่นก็ไม่รู้แต่ว่า ตัวเราเนี่ยรู้ทั้งรู้แล้วก็บางทีก็อาจจะไม่สบายใจนะทำไม เ, เรื่องง่ายๆนะเรื่องพื้นๆเนี่ยตัดใจไม่ได้สัทีใช่เพราะกําลังอ่อนหรือว่าพละอ่อนใช่ไหมคะนี่แหละเพราะพละกําลังเนี่ยมันอ่อนพละงอันี่แบบว่ากําลังอยู่แล้วคาของพระพุทธองค์ที่ท่านบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นคําที่เป็นกุญแจคําที่สําคัญเมื่อสักครู่เนี่ยนึกคิดว่าเป็นพุทธพจน์ที่ต้องจดจําเลยนะคะจำจำให้ได้เลยถูก ต, ต้องตัณหาเมื่อจะเกิด ก็เกิดที่ของรักของชอบใจพระพุทธเจ้าพูดยาวกว่านี้ออกมาจะ r e f r e s ใช่ไหมนะค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่มายินดีตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่ตรงนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ตรงนั้นสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักสิ่งใดมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่ตรงนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็อธิบายต่อไปนะว่าอะไรหลับเป็นสภาวะที่มีความรักเป็นที่มายินดี นะ้ภาษาทั้งหมดนะ้ำรูปเสียงกิโโริยบุพทภะอายตนะภายในภายนอกทั้งหมดนะ้ำความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งนี้ทั้งหมดนะ้รวมเยอหยายไปหมดเลยนะ้จะเกิดก็เกิดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจิงรัดเริงเราได้แน่นมันมาทุกทิศทุกทางแลนะทั้งภายในภายนอกมีหมดค่ะอในขณะเดียวกันนะ้ำก็บอกว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาเมื่อจะละก็ละไ ด, ได้ที่ตรงนั้นเมื่อจะดับก็ดับได้ที่ตรงนั้น แล้วกอธิบายต่อไปว่าอะไรเราที่เป็นภาวะเป็นที่รักที่ยินดีแล้วก็ตาหูจมูกทิ้งกายใจอายตนะภายในภายนอกรูปเสียงทั้งหมดแตนะตรงนี้เป็นทั้งจุดที่ตันหามันจะรัดรึงเราได้เนี่ยเราก็มีโอกาสเท่ากันแตนะ่ว่าคือจุดที่เราจะตัดมันได้นั่นเองนะโอกาสเราเท่ากันเสมอเลยระหว่างกิเลสการ่ะทีนี้ประเด็นคือว่าเวลาเราแพ้มันเนี่ยแต่มันก็จะเอาเราอีกทางนึงแต่ว่าโอ้โน้ซี แล้วเราก็คิดว่าโหเราผิดไปแล้วฉันไม่น่าําอย่างนี้เลยอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้ทำยังไงดีก็ยิ่งซ้ำคูณสองก็ยิ่งจะต่ําลงต่ําลงต่ําลงนะเราจะทวนกระแสตรงนี้จึงต้องเป็นเรื่องของการทวนกระแสมากๆเลยค่ะแปล ว, ว่าคิดว่าเราทําผิดแล้วก็วขวัญเสียอย่างนี้ไม่ถูกหรอคะไม่ถูกไม่ถูกเพราต้องทําอย่างไรจึงถูกเพรา ะ, ะ, ะว่าการคิดว่าตัวเองเป็นคนต้อยต่ำนึคิดว่าฉันพ่ายแพ้ไม่มีกําลัง อันนี้เป็นความคิดที่จะให้กิเลสมันได้ช่องเป็นความคิดที่อ่อนแอแต่สิ่งที่ต้องคิดให้ถูกต้องก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดไปเลยแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องเราก็ทําไปทําสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละถ้าเราละไอ้เจ้าความคิดที่เป็นทางเบียดเบียนตัวเองละความคิดในการที่จะทอดได้อ่อนแอต้องละความคิดตรงนี้แเราตั้งไว้ซึ่งอะไรตั้งไว้ซึ่งความเข้มแข็งและความกล้าหาญความที่จะบากบั่นไม่ทอดทุระศีลและสมาธิเรารักษาทําให้ดีนั่นเองนะคะ ก็เป็นเรื่องที่มหัศาจรรย์มากนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสเอาไว้ว่ามันเกิดเกิดที่เนี่ยดับก็ดับอยู่ตรงนี้เราจะทําได้หรือไม่น่ะอยู่ที่ว่ากําลังของเราดีหรือเปล่านะคะก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอดีเวลาเหลือน้อยคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้อยากจะคุยต่อนะคะเนื่องจากว่าได้เข้าใจว่าเรื่องพวกนี้สําคัญแล้วก็นําออกมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ทุกเรื่อง เรียนผานนะคะก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านภัยบุญไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้คะ่ะนมัส ก, การค่ะเรียนผ่านท่านผ่านพิครบคานั่นคือพระมหาภัยบุญอภิปุณโญแห่งวัดป่าดอนไ้โซอุดรธานีสถานที่ที่มีการสอนปฏิบัติธรรมเป็นประจําทุกเดือนอยู่อำํำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและรายการสันนิยมนัส น, นาดําเนินรายการโดยสันสนิหน้าพงนะคะวันนี้เราได้เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องฝึกปฏิบัติกันโดยมีการเจริญสติหรือว่าอาณาปานาสติเป็นเครื่องมือนะคะที่จะทำให้เราเกิดสัมมาสติแล้วก็นำมาสู่การมีสัมมาสมาธิติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปิดเพลินเท่านี้ค่ะเพอทัวสวัสดีค่ะ